พระเจ้าเคยขอร้องหลวงพ่อสมเด็จและโอปปาติกะองค์อื่นๆอีกหลายองค์ขอให้แสดงปาฏิหาริ์เหมือนอย่างที่เขาเล่าลือกันแต่ท่านไม่เคยแสดงแม้แต่ครั้งเดียวและเท่าที่ข้าพเจ้าติดต่อได้ก็เห็นมีแต่มาให้คำแนะนำดังที่ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดลงในหนังสือวิญญาณอยู่เสมอจนกระทั่งมีหลายคนเข้าใจว่าเรื่องต่างๆนั้นข้าพเจ้าพูดออกมาเอง แต่แล้วไปอ้างว่าหลวงพ่อสมเด็จหรือโอปปาติกะองนั้นองนี้มาแนะนาก็เพื่อให้รู้สึกเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์แต่แท้ที่จริงแล้วก็คือความคิดของข้าพเจ้าทั้งหมดนั่นเองเพราะสำนวนคำพูดเห็นได้ชัดว่าเป็นสำนวนของข้าพเจ้าเองสำหรับคนประเภทนี้ข้าพเจ้าก็จะไม่ขอแก้ตัวหรือชี้แจงอะไรทั้งสิน้นเพราะข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าเมื่อไม่พยายามที่จะคิดให้ถูกทางแล้ว ก็ย่อมไม่มีทางที่จะเข้าใจกันได้อันหนึ่งเมื่อเราได้พิจารณาถึงการกระทําของคนเราโดยทั่วๆไปจะเห็นข้อเท็จจริงชัดอยู่อย่างหนึ่งคือคนเราทุกคนมีอะไรบังคับให้เราต้องพูดต้องทำและต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งอะไรที่บังคับนี้ไม่ใช่อยู่ที่สิ่งแวดล้อมแต่มันมีอยู่ในสันดานของเราเองเหมือนอย่างที่หลวงพ่อสมเด็จท่านเทศว่าคนเราเห็นของสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกันแต่ทำไมจึงคิดไม่เหมือนกันซึ่งจากข้อเทศจริงอันนี้จะทำให้เราเถียงไม่ได้เลยว่าเป็นเพราะทุกคนได้เคยเกิดมาแล้วเพราะเราจะอธิบายโดยวิธีอื่นไม่มีทางที่จะลงตัว นอกจากจะยอมรับว่าที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะวิบากของกรรมในชาติก่อนบังคับให้ต้องพูดต้องทำต้องคิดอย่างนั้นวิธีง่ายที่สุดที่จะสอนให้คนยอมรับว่าตายแล้วจะต้องเกิดอีกก็คือสอนให้คนคิดว่าทำไมคนเราเมื่อเห็นของสิ่งเดียวกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกันแต่แล้วคิดไม่เหมือนกัน แต่ข้อเท็จจริงอันนี้คนที่จะเข้าใจง่ายก็คือผู้ที่ยอมรับว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตและคนเราจะยอมรับว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตก็ต่อเมื่อคนทั้งหลายได้ยอมรับกันแล้วว่าชีวิตหลังจากตายคือโอปปปาติกะนั้นมีจริงท่านเห็นแล้วหรือยังว่าการสอนให้เข้าใจเรื่องโอปปปาติกะนั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและการสอนในเรื่องนี้จะไม่ทำให้คนหลงและงมงายเลยถ้าหากสอนกันอย่างถูกต้องและสอนให้คนทั้งหลายสนใจแต่ในเรื่องที่จำเป็นจะต้องรู้เท่านั้นส่วนเรื่องอะไรที่นอกเหนือไปจากความจำเป็นที่จะต้องรู้เมื่อได้พบเห็นหรือได้ยินได้ฟังก็อย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อและอย่าให้ความฉงนสนเท่ในเรื่องที่แปลกประหลาดเข้ามาลบล้างความเชื่อว่า โอปปาติกะมีจริงถ้าคนทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในแนวนี้ความงมงายเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะหมดไปจากสังคมซึ่งในเวลาเดียวกันคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะฉายแสงปรากฏอยู่ในจิตใจของคนทั่วไปด้วยเหตุนี้การสอนให้เข้าใจว่า วิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการที่จะยอมรับว่าเราเคยเกิดมาแล้วความดีความชั่วที่เราทำไว้ในชาติก่อนก็กำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับการเข้าใจเรื่องวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตซึ่งถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องนี้เราก็จะมองไม่เห็นว่าความดีความชั่วที่เราทำไว จะให้ผลต่อไปในอนาคตได้อย่างไรและถ้าหากว่าเราไม่ยอมเชื่อในเรื่องกฎของกรรมก็แปลว่ารากฐานในการที่จะสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นนั้นเป็นอันล้มล้างโดยสิ้นเชิงและคนที่จะปล่อยวางหรือทำใจให้ว่างได้จริงๆก็จะต้องเป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมหลายอย่างเพราะถ้าคุณธรรมมีไม่พอก็ไม่อาจที่จะเข้าสมาธิได้ เมื่อเข้าสมาธิไม่ได้ก็ป่วยการที่จะพูดถึงการรู้แจ้งอริยสัจหรือการบรรลุถึงนิพพานเพราะจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยและการที่จะสอนให้เข้าใจว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตก็ไม่มีวิธีไหนที่จะทำให้เข้าใจง่ายนอกจากการสอนให้เข้าใจเรื่องชีวิตของพวกโอปปปาติกะเพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ออกมาให้ขาวสะอาดอันหนึ่งการอธิบายเรื่องโอปปปาติกะนั้นเราจะไปบิดเบือนแปลความหมายเอาเองไม่ได้เพราะถ้าขืนทาก็เท่ากับเป็นการสร้างความหลวงผิดให้เกิดขึ้นแก่ชาวพุทธเป็นอันมาก และยิ่งผู้ที่อธิบายอยู่ในฐานะที่พูดอะไรออกไปแล้วมีคนเชื่อถืออย่างมากมายผลร้ายก็ยิ่งจะมีมากขึ้นข้าพเจ้ามีหลักฐานจากคำพีพระไตรปิฎกและจากข้อเท็จจริงมากมายที่จะนำมาอ้างได้ว่าโอปปาติกะนั้นเป็นชีวิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีอยู่จริงๆและทุกคนจะเกิดเป็นโอปปาติกะก็ต่อเมื่อตายไปแล้ว ถ้าหากยังมีชีวิตอยู่จะเป็นโอปปาติกะได้ก็เฉพาะผู้ที่มีสมาธิสูงถึงขั้นได้มโนมยิทิหรือไม่เช่นนั้นในบางครั้งคนที่นอนหลับสนิทและฝันนั้นในกรณีที่ความฝันเป็นเรื่องจริงก็หมายถึงผู้นั้นออกไปเป็นโอปปาติกะชั่วคราวหรือบางคนที่สลบหรือตายไปชั่วขณนะแล้วฟื้นขึ้นมาก็ออกไปเป็นโอปปาติกะชั่วคราวได้นอกจากนี้ ไม่มีทางที่จะเป็นโอปปาติกาขึ้นมาได้ข้าพเจ้าขอเน้นให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เราจะเข้าใจเรื่องชาติหน้าและยอมรับว่าชาติหน้ามีจริง <c oughs> ก็ต่อเมื่อจะต้องเข้าใจอย่างชาัดเจนเสียก่อนว่าตัวเราในปัจจุบันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากกรรมในอดีตชาติ ส่วนผลที่สืบเนื่องมาจากกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมนั้นมีอยู่ก็จริงแต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับวิบากของกรรมที่สืบเนื่องมาจากชาติก่อนต้องเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงจะยอมรับได้ว่าคนเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงๆโดยไม่ต้องไปอ้างใครมารับรองในเรื่องดีและชั่วของตัวเองและคนที่ยอมรับว่าชีวิตในปัจจุบัน เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวิบากของกรรมในอดีตนั้นทุกคนย่อมเต็มใจและมีศรัทธาในอันที่จะทำความดีอยู่เสมอเพราะจากชีวิตในปัจจุบันจะทำให้เขาเข้าใจได้ด้วยตัวของเขาเองว่าเมื่อเราทำดีหรือทำชั่วอย่างนี้ต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรนี่คือหลักสาคัญมากแต่ปัญหาก็มีอยู่ว่า เราจะสอนอย่างไรจึงจะสามารถทำให้คนทั้งหลายยอมรับความจริงในเรื่องนี้จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าที่ทำการสอนศาสนามา20กว่าปีทำให้รู้แน่นอนว่าเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการสอนให้คนทั้งหลายเข้าใจว่าวิญญาณเป็นผู้ที่สร้างตัวเราขึ้นมาซึ่งการที่จะเข้าใจเรื่องนี้ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่คนทั้งหลายจะเถียงไม่ได้เลย คือเราจะต้องหาทางพิสูจน์ให้คนทั้งหลายเห็นว่าโอปปาติกะมีจริงเมื่อหลักการมีอยู่ดังที่กล่าวมาท่านผู้อ่านผู้ฟังก็คงจะเห็นแล้วว่าการที่หลวงพ่อสมเด็จและโอปปาติกะองค์อื่นๆสามารถแสดงตัวให้เราทราบได้ว่าท่านมีตัวตนอยู่จริงๆในโลกของโอปปาติกะนั้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากสำคัญยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ใดๆและข้าพเจ้าก็พยายามระมัดระวังที่จะจำกัดขอบเขตให้คนเชื่อเฉพาะแต่ในสิ่งซึ่งมีเหตุผลสามารถที่จะทดสอบได้และเข้าใจกันได้ง่ายๆและตรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ส่วนผู้ที่ไปคล้องแวะเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริย์หรือเรื่องอะไรอย่างอื่น ที่ทำให้เกิดความโฉนสนเท่เพราะมีทั้งเรื่องจริงและไม่จริงปะปนกันอยู่นั้นข้าพเจ้าถือว่าเป็นอันตรายและเป็นภัยอย่างมากแต่อย่างไรก็ดีผลงานการค้นคว้าจากสานักค้นคว้าทางวิญญาณซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ได้รับความเชื่อถือจากผู้รู้ทั้งหลายเป็นอันมากแต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกเป็นห่วง ที่ตัวเองได้มีส่วนช่วยสร้างความงุงงายให้เกิดขึ้นแก่คนเป็นอันมากเหมือนกันกล่าวคือในเมื่อข้าพเจ้าอธิบายด้วยเหตุผลจนเป็นที่ยอมรับกันว่าโอปปาติกะมีจริงจนคนทั้งหลายเชื่อในเรื่องนี้กันอย่างแพร่หลายครั้นแล้วแทนที่คนเหล่านี้จะสนใจอยู่แต่ในขอบเขต ท, ที่พอเหมาะพอควรกลับไปสนใจในเรื่องอื่นๆที่ก่อให้เกิดความชงนสนเท่ เพราะในเมื่อเกิดความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงเมื่อได้ข่าวว่าที่ไหนมีการเข้าทรงวิญญาณก็พากันไปที่นั่นเมื่อได้เห็นได้ฟังอะไรที่ประหลาดประหลาดน่าสนใจก็มักจะยอมรับโดยไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าเรื่องราวที่พบเห็นอยู่นั้นจริงหรือไม่จริงแค่ไหนซึ่งในที่สุดก็เลยกลายเป็นความงมงายที่คนอื่นเขามองเห็นได้ชัด และจากความงมงายของคนที่เชื่ออย่างหลับหูหลับตานี่เองทำให้คนที่มีการศึกษาดีซึ่งโดยนิสัยสันดานเขาก็อยากจะเชื่อเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแต่แล้วก็กลับทำให้เขาเกิดความลังเลไม่อาจจะเชื่อได้อย่างสนิทและมักจะลงมติว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องงม ง, ง, งายไปทั้งหมด มีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือถ้าเราได้มีโอกาสอ่านเรื่องโอปปาติกะหรือเรื่องชาติหน้าจากคำพีพระไตรปิฎกอย่างถี่ถ้วนแล้วเราจะพบความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงแต่ว่าชีวิตโอปปาติกะมีจริงนรกสวรรค์มีจริงและก็ทรงอธิบายให้เห็นว่าชีวิตพวกเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เราจะรู้หรือติดต่อกับพวกเหล่านี้ได้อย่างไรแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสเล่ารายละเอียดเหมือนอย่างในหนังสืออัฏฐคถาฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เราทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นส่วนมากเป็นเรื่องที่มีอยู่ในหนังสืออัฏฐคถาทั้งสิน้นทั้งนี้เพราะอะไรพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรัสเล่ารายละเอียด ก็เพราะปัญหาเรื่องนี้มีมากคนที่ไม่มีโอกาสที่จะพิสูจน์ในเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะไม่มีตาทิพนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับคนตาบอดเพราะฉะนั้นการที่เราจะเล่าเรื่องที่เราเห็นให้คนตาบอดฟังอย่างละเอียดนั้นเราควรจะต้องรู้ว่าอันไหนเขาอยู่ในฐานะที่จะเข้าใจได้อันไหนไม่อยู่ในฐานะที่จะเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสเท่าที่จำเป็นเท่านั้น